เพราะบางคนก็มีกิเลสราคะโทสะโมหะมีอารมณ์โกรธโมโหโกทาหรือว่ารักใคร่ไปในทางที่ไม่ถูกต้องทางการม ก, กิเลสอย่างนี้เป็นตน้นเพราะนั้นศีลคือกฎระเบียบจะต้องมีในชุมชนหรือกฎกติกาก็ต้องมีในชุมชนของพวกเราเึีว่าจัดว่าศีลศีลและวินันในหลักของพระพุทธศาสนาเนะพระพุทธเจ้าตรัสว่า สินและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตรถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นท่านให้ความสำคัญเรื่องของสินสินเป็นพื้นฐานการอยู่ด้วยกันสินเป็นพื้นฐานแห่งคุณงามความดีถ้าคนเราไม่มีสินต่างคนก็ต่างไม่มีสินอยู่ด้วยกันถ้ามากเข้าเรยก็ยิ่งแสดงอกกับกริยาเหมือนกับสัตว์ป่าเออ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 เพราะนั้นควรจะมีกฎกติกาให้รักษาพวกกลุ่มของเราเพราะนั้นศินจึงเป็นเยี่ยมในโลกถ้าคนไม่มีสินจะแล้วโลกทั้งโลกจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรเพราะนั้นออพวกเราก็ควรจะเทิดทูนศินแต่ ว, ว่าศินคนํานี้ในหลักของพุทธศาสนาก็คือศิลห้าที่พระพุทธเจ้ายกเป็นตัวอย่างยกเป็นเครื่องเชิดทู